วันนี้มีท่านหนึ่งได้ถามคำถามว่าวิปัสสนากับสมถภาวนานี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสมถภาวนานั้นเป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งคือต้องการพักจิตใจ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 เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบริษัทบริวารลาบยศสรรเสริญยากิสนิทมิตรสหายบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆและสัตว์ต่างๆล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นถ้าเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็จะ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 ควรปล่อยให้สงบจนกว่าจะถอนออกมาเองความสงบก็มีระยะเวลาต่างกันไปตามกำลังของสติเวลาปฏิบัติเริ่มแรกสติยังมีกำลังไม่มากก็จะอยู่ได้เพียงชั่วขณะเดียวเรียกว่าคานิกะสมาธิถ้าจเจริญสติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆ กำลังของสติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับการเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าตั้งได้อยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง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 เคยเกิดไปเป็นอะไรมามากบางท่านก็สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้กายทิพย์ก็มีหลายระดับกายทิพย์ที่เป็นเทพหรือกายทิพย์ที่เป็นผีคือผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็มาปรากฏมาพบมาสนทนา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 ไม่สามารถยกจิตให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ผู้ปฏิบัติแล้วติดอยู่กับขั้นอุปจาระสมาธินี้ก็จะยังต้องติดอยู่กับกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่เกิดปไม่เกิดปัญญาจะไม่ออกไปทางวิปัสสนา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 ในเรื่องของอริยสัจสีได้นี่คือวิปัสสนาพอออกจากสมถะมาแล้วไม่ควรที่จะอยู่เฉยเฉยควรจะพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะส่วนที่มีปัญหากับเราส่วนที่เรายังมีความรักมีความหวงยังมีความวิตกกังวลกับ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 เราจิตใจไม่ได้มีความผูกพันกับเสียงของนกแนกร้องนั้นนกมันจะร้องไม่ร้องเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ถ้จะฟังเสียงก็ต้องฟังเสียงจากคนที่เรารักหรือเราไม่ชอบเวลาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นยังไงฟังแล้วเห็นว่าเกิดเห็นว่าดับหรือเปล่าเห็นว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์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 อยากได้อะไรก็อยากจะทำตามทันทีอยากดูอะไรก็จะดูทันทีอยากฟังอะไรก็จะฟังทันทีเพราะคิดว่าทำแล้วจะเป็นความสุขนั่นเองไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์าะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังว่ามันเป็นเพียงของความสุขชั่วคราว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 ต้องเกิดความอยากขึ้นมาเช่นถ้าเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องของการอารมณ์เรื่องของการรักคนนั้นรักคนนี้อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ให้พิจารณาอาสุภะให้เจริญอสุภะกรรมฐานให้พิจารณาดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายบ้าง อย่ามองแต่ส่วนที่สวยงามให้มองส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่สกปรกไม่สะอาดเพื่อจะได้ละลายสลายการมาราคาความอยากในการความกำหนัดยินดีกับการร่วมเพศอันนี้ต้องดู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 ผมบนศรีรษะเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาดูตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นอย่างไรเขาจับใส่รงไปตั้งไว้บนศาลาสวดศพเสร็จแล้วก็ เอาเข้าเตา verse, เผาเผาขึ้นเมนเข้าเตาเผาตายไปเผาไปจนตอนเช้าก pues, ็ไปเก็บศเศษขี้เท่ากับเศษกระดูกนี่คือ <c oughs> เรื่องการสอนใจให้เห็นความจริงของร่างกายให้เห็นอนิจจังให้เห็นอนัตตา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 ออกมาพอมาสัมผัสรับรู้กับโรคมะเร็งของร่างกายดูซิว่าใจเป็นอย่างไรใจตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไม่มีกระจิกกระใจที่จะอยู่ต่อไปวุ่นวายใจสับสนท่อแท้เบื่อหน่ายหรือเปล่าถ้าท้อแท้เบื่อหน่ายก็แสดงว่า วิปัสสนานี้ยังไม่มีกำลังหรือว่ามีวิปัสสนาแต่ไม่มีสมถะแต่นี่พูดถึงคนที่มีสมถะแล้วถ้าพิจารณาด้วยวิปัสสนาก็จะปล่อยร่างกายได้แต่ถ้ายิ่งไม่มีสมถะด้วยยิ่งจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนอย่างตามที่หมอบอก กิเลสตันหาจะออกมาวุ่นหาวิธีรักษากันอยู่อย่างเดียวหมอที่ไหนดีโรงพยาบาลที่ไหนดียาที่ไหนดีมันจะวุ่นกับการที่จะ <c oughs> รักษาให้ร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปให้ได้แทนที่จะมาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาว่าร่างกายนี้นในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไป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 พอพักได้เต็มที่แล้วพออิ่มตัวแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาปัญหาเดิมที่ยังไม่สามารถที่จะปรงหรือวางได้ทำอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะปรงวางปัญหาที่ตนเองมีความผูกพันอยู่มีความยึดติดอยู่ได้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 จิตก็จะสงบมากขึ้นไปมีความกำลังของอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นไปเวลามานั่งสมาธิก็ทำให้จิตลงลึกกว่าเดิมมีความแน่นหนามั่นคงกว่าเดิมตั่งอยู่ในอุเบกขาได้นานกว่าเดิมเพราะได้กำลังจากการพิจารณาปล่อยวางสภาวะธรรมต่างๆด้วย วิปั ส, สนาภาวนาดัางนั้นการปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ได้สมถะเต็มร้อยแล้วค่อยออกจเจริญวิปัสสนาท่านบอกว่าสมถะขั้นไหนก็สามารถสนับสนุนวิปัสสนาขั้นนั้นได้เช่นขั้นอยากขั้นกลางขั้นละเอียดของสมถะภาวนาก็จะสนับสนุน าการเจริญวิปัสสนาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดตามลำดับไปเพราะนั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้นานหรือไม่ดานก็าตามพอออกมาก็ามีทางเลือกอยู่สองทางถ้าอยากจะเจริญสติต่อก็ได้คอยบริกรรมพุทโธพุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไป จะออกมาเดินจงกรมก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือทำภารกิจอะไรต่างๆก็บริกรรมพุทโธไปพอมีเวลาว่างก็กลับไปนั่งสมาธิต่อให้จิตสงบลึกเข้าไปนานขึ้นหรือว่าออกมาจากสมาธแล้วก็จะพิจารณาเจริญวิปัสสนาเลยก็ได้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 เพื่อจะได้บำเพ็ญได้อย่างถูกต้องถ้าเข้าใจแล้วบำเพ็ญจะไม่เสียเวลาจะไม่ติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งจะก้าวไปได้เรื่อยๆจะบรรลุทำขั้นต่างๆไปได้ตามลำดำับจนถึงขั้นสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้ในท้ายของพระสูตรของสติปัฏฐานสูตร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 คำพยากรณ์หรือคำรับรองของพระพุทธเจ้าตอนที่ได้แสดงสติปัฏฐานสูตรก็คือการจเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิแล้วก็ให้ใหพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เป็นวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย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 การปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้ามาตัทธารู้กี่พระองค์ก็จะใช้วิปัสนาและใช้สมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาตัทะารู้ด้วยกันเท่านั้นแล้วเวลาสอนก็จะสอนเรื่องสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาด้วยกันทุกองศาโลกทั้งหลาย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 ควเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าวิริยะคือความอุตสาหะความพยายามที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาก็คือเจริญสติจเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี้อยู่ที่อินทรีย์ทั้ง5นี้ถ้ามีมากก็จะมีกําลังมากถ้ามีน้อยก็จะมีกําลังน้อย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 ท่านก็เป็นใจที่ถูกกิเลสตันหาหุ้มห่ออยู่แต่ท่านมีความขวนขวายมีความตะเกียกตะกายมีศรัทธาในการที่จ ะ, จะเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาท่านจึงสามารถยกจิตใจของท่านให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราถ้ามีศรัทธา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 ถ้าเขายินดีที่จะฟังเ่าแต่ปัญหาก็คือทุกคนไม่ชอบให้คนอื่นเพ่งโทษตนเองเวลาใครไปบอกแทนที่จะขอบอกขอบใจกับไปโกรธไปเกลียดเขาสิเสียอีกแต่ถ้าเป็นผู้ที่ขวนขวายต้องการพัฒนาตนเองแล้วจะยินดียินดีให้ผู้อื่นเพ่งโทษของตนเสมอ อย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พระมีการปภราวนาในวันสุดท้ายของพรรษาการปภาวณาตัวก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ตําหนิว่ากล่าวติดเตียนชี้โทษของตนนั่นเองเพราะว่าการชี้โทษว่ากล่าวติดเตียนของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกระจกส่องเงาดีๆนี่ถ้าเราไม่มีกระจกส่องเงาเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรสะอาดหรือไม่สะอาด ควรที่จะเช็ดตรงไหนถล้างตรงไหนหรือไม่ผมผ้าของเราเรียบร้อยหรือไม่เสื้อผ้าที่เราใส่เป็นอย่างไรนี่เราจะมองไม่เห็นเราต้องมีกระจกส่องเงาอันใดเราก็ต้องมีผู้อื่นคอยเพ่งโทษการไปศึกษาการไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ก็เพื่อไปหากระจกส่องเงานี่เองครูบาอาจารย์ท่านจะคอยดา่าคอยว่า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 หรือไปในทางมรรคผลมิผ่านถ้าเรามองอยู่เรื่อยๆเราจะได้ปรับทางของเราได้เวลาที่เราเดินออกนอกลูกนอกทางแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วการแสดงก็เรียกว่าพอสมควรแก่เวลาขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ จะขออนุโมทนาให้พรเลยยะถาวาเรวาหาปุราปุิปุเรนติสาขาลังเอวเมวะอิโตชินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ กระโสยะทาสพิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตาาโยสุขีทีคายุโกผวะอภพิวาธนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวะทานติอายุวโนสุขัง พาลาาพระ <c oughs> เมื่อกี้มีคนอยากจะถามปาัญหาไม่ทราบไปไหนแล้ถามประชาร์อะอ่สวนมอนอะนั่นแหละ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 บทสวดมนต์ต่างๆนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรา <c oughs> อยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะเย็นจะสบายจะสงบจะมีสมาธิจะไม่หิวจะไม่อยากได้อะไรพอไม่มีความหิวความอยากได้อะไรก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะไปทำบาปนั่นเองคนที่ไปทำบาปก็เป็นเพราะว่าใจไม่อิ่มใจไม่ สุขใจไม่สงบใจถูกความโลภความอยากครอบงำจิตใจเห็นหนูน่นเห็นนี่ก็อยากได้พออยากแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่สุดเจริตก็ไปหามาโดยวิธีทุจริตก็คือการไปทําบาปนั่นเองดังนั้นถ้าสวดมนต์แล้วจิตสงบจิตก็จะไม่ไปทําบาปได้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 พอปล่อยให้ความอยากออกมามีอิทธิพลอยากได้เป็นผู้อยากจะเป็นผู้รักษาการแทนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นผู้ปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าพอไปกราบทูลขอพุทธานุญาตแล้วไม่ทรงอนุญาตก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็พยายามปรองพรชรเพื่อที่จะได้ตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าแทนต่อไป อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมความอยากไม่สามารถหยุดความการกระทำบาปได้พอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าการสวดอย่างเดียวจะเป็นประกันภัยจะรับประกันว่าไม่ไปตกนรก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 มันก็จะไม่มากดากดันจิตใจให้ไปทำบาปแต่ถ้าไม่ได้ส่วนนี้ก็อาจจะทาให้ทาบากง่ายเพราะความอยากไม่ได้รับการบรรเทาไม่ได้รับการลดลงก็จะกดกดันจิตใจให้ไปทำบาปทำกรรมต่อไปดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการกระทำแต่ละอย่างนี้มีผลอย่างไร เราถึงจะเข้าใจเราถึงจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องบางทีเขาบอกว่าให้สวดมังไปแล้วไม่ตกนรกก็สวดไปแล้วเดี๋ยวก็ออกไปกินเหล้าต่อเดี๋ยวก็ไปรักขโมยไปอาพืชผิดระเวณีกเพราะไม่มีใครบอกว่าทำบาปแล้วจะตกนรกมีแต่บอกว่าถ้าไม่อยากจะตกนรกก็ให้สวดคาถานี้ไปก็สบายถ้ายิ่งคาถาสั้นๆห้า น, นาทีสวดเสร็จก็สบายแล้วมี <c oughs> มีมีประการภัยและทีนี้ก็ไปทำบาป <c oughs> ทำกรรมได้แล้วสิมันไม่ได้นะ เ, เหตุที่จะทำให้เราไปไปอบายก็คือการไม่รักษาศีนใน ท, นท้ายศีลท่านแสดงไว้ว่าส่เลนะสุขติยันติศีนเป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสุขติสุขติก็คือภพของเทวดาภพของมนุษย์ภพของอริยะเจ้า เรียกสุขติส่วนพบของเดราัชานของเปรต น, นี่เขาเรียกว่าอบายพวกนี้ไปเพราะทำบาปคือถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดราัชานทำบาปเพราะโลภอยากได้มากๆก็ไปเป็นเปรตทำบาปเพราะความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายทำบาปเพราะ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 ส่วนอมาตะที่ในในในเรื่องหนึ่งที่มีพระเจ้าแผ่นดินท่านมีมีในยามค่ําคืนท่านบอกว่ามีเสียงอะไรมาร้องโหยหวนก็ุไม่ทราบก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรกันพระพุธเจ้าก็บอกว่าเป็นอมาตะที่ตอนนี้มาเป็นเปรตเพราะว่าสมัยที่มีชีวิตอยู่รับใช้พระองค์ ไม่ใช่ชาตินี้แต่ชาติในในอดีตพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วแล้วเปรตตัวนี้เป็นอมตะพระองค์ได้เป็นได้สั่งให้อมตานี้เอาทรัพย์ไปทำบุญแล้วอมตานี้จะยักยอกทรัพย์บางส่วนไว้เป็นของตนเองนี่ก็เรียกว่าทำบาปด้วยความโลภอยากได้เงินของผู้อื่นก็เลยยักยอกทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินที่ให้ไปทาซื้อของทาบุญ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 ถ้าไปฆ่าผู้อื่นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าบาปเหมือนกันก็เป็นเดรัจฉานได้เหมือนกันเพราะทำไปด้วยความไม่รู้ว่าบาปว่ามีผลที่จะตามมาคิดว่าทำตามหน้าที่แล้วไม่บาปทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ก็ลักษณะแบบเดียวกับเดราาัจฉาน แต่อาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่หนักเหมือนกับเดลฉานก็ได้เพราะว่าไม่ได้ทำตลอดเวลาบางคนก็ไม่ได้ทำเลยรับราชการมาจนกเกษียณก็ไม่เคยไปฆ่าใครเลยอันนี้ก็จะไม่มีผลบาปตามมาที่ทวันนี้เขามีธรรมเนียมทาบุญอุทิศเพื่อแผ่นดินไทยเขาก็ทาบุญทิ่ให้แก่วีรับุรุษนักรบทั้งหลาย ที่ออกลบทาสงครามปกป้องรักษาประเทศว่าเวลาเขาตายไปนี่เขาก็มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเปรตได้ไปเป็นไปเกิดในอบายได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้ที่มีสำนึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านี้ก็ทำบุญอุทิศให้แก่เขาไป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 มันเป็นพักๆไปดันั้นเวลายากก็ต้องพยายามอดทนพยายามทําต่อไปอย่าไปเครียดกับผลมากจนเกินไปเคือทาแล้วจะได้ผลมากผลน้อยก็อย่าไปวิตกกังวลขอให้กังวลอยู่ตรงที่ว่าทําหรือไม่ทำํำถ้าไม่ทําแล้วต้องรีบต้องพยายามทําให้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ทําบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะ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 ถึงเวลานั่งก็นั่งถึงเวลาเดินจงกรก็เดินถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังแล้วเราก็จะได้ไม่เสียเวลาเดินถอยหลังคำถามข้อต่อไปจะคุณพาช็ดเท้านะครับขอความเมตตาอธิบายคำว่าปัญญาพุท ธ, ธะหมายความว่ายอย่างไรเราก็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 โลกิยะปัญญาก็คือความรู้ในการหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ก็จะถือว่าเป็นโลกิยะปัญญาก็ได้บางคนฉลาดเก่งหาเงินหาทองได้มากหาตำแหน่งได้เป็นนายกได้เป็นอะไรได้แต่อันนี้ เ, นเรียกว่าเป็นโลกิยะปัญญาปัญญาที่ช่วมหัวเตัวไม่รอดคือ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 ถ้าคำสอนเป็นของจริงคนสอนก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกันใช่หัหยแล้วคนที่เอามาปฏิบัติได้ก็เป็นคนที่ได้รับผลก็เป็นของจริงเหมือนกันพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยหายสงสัยไปไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อไปยืนยันอีกต่อไปยืนยันมันตรงนี้ตรงที่ละสกายัติธิให้ได้จะละได้ก็ต้องละด้วยวิปัสนาราภาวนาสมถภ า, าวนานี่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 เกิดจากความอยากให้เขาเสื่อมไม่ให้เขาเสื่อมถ้าเราหยุดความอยากได้ปล่อยเขาเสื่อมได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจทีนี้เราก็รู้แล้วความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่ความเสื่อมของสิ่งต่างๆความเสื่อมของสิ่งต่างนี้เราไปยับยั้งไม่ได้มันจะเสื่อมมันก็จะต้องเสื่อม เจนเสื่มลาบเสียมยศเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาขอพอรว่าปีนี้ไม่ดีอะไรปีชงผมไม่อยู่ชงไม่ชงหรอกมันอยู่ที่มันเรื่องของปกติของของสิ่งต่างๆในโลกนี้มีเจริญมันมีเสื่อมมีขึ้นมีลงเราอย่าไปทุกข์กับมัน ก, จก็จบเนี่ยไม่ต้องมาขอพอรให้เสียเวลาถ้ามีเห็นอริยสัจสี่มันก็ไม่ต้องขอพอรในการมาขอพอรนี้ก็เรียกว่าเป็นสีรับทัตถปัลลามาแลนะ้ว เราไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขอพรพระเจ้าสอนให้ภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมคําว่าศีลรับพระตะปรารมาค็คือการกระทําสิ่งพิธีกรรมนอกนอกเหนอือนอกคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลับพระตะทำนั้นอันไหนที่พระเจ้าไม่สอนแล้วเราไปทําเนี่ยเป็นศีลรับผลทำอะไรบ้างที่พวกเราที่พระเจ้าไม่สอน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 ต่อการปฏิบัติไหมและหนูไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกทางหรือไม่แล้วหนูควรแก้ไขยังไงเจ้าคะหนูกลัวจะหลงไปผิดทางไม่ผิดหล้วนั่นแหละคือความสงบเน่ยขอให้พยายามทําอย่างนั้นให้บ่อยๆให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเวลาสงบมนนี่มันจะว่างมันจะไม่มีอะไรให้รับรู้มันจะรู้สึกเฉยๆไม่มีความคิดพุ่งแตกอันนั้นแหละเรียกว่าความสงบ พยายามทำให้มันเข้าไปในจุดนั้นได้ให้ได้บ่อยๆให้มันชำนาญแล้วเวลาออกมาก็ให้เจริญวิปัสสนาให้พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของนอกกายหรือของที่เป็นเรือร่องกายเราหรือของที่อยู่ในใจว่าเป็นายลั์ทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยาก ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจก็จะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเวลาอยู่ในสมาธินั้นก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันว่างอย่างนั้นไปเรื่อยๆจ น, นกว่ามันจะถอนออกมาเองจะหลับทากันไปทำวิปัสสนาแล้วเราก็หยุดแล้วก็กลับมาทำสมถะใหม่อันนี้ก็จะทาให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 หมาวิ่งตัดหน้ารถอย่างนี้เราไม่ได้ไปตั้งใจฆ่าเขาอันนี้ก็มันเรื่องสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้จะทำใจให้เป็นอุเบกขาไว้เท่านั้นเองเราไม่มีเจตนาเราไม่มีความตั้งใจแต่มาเร า, เราก็อาจจะไปเจอเหตุสุดวิสัยก็ได้เราเดินข้ามถนนอาจจะโดนเขาชนตายก็ได้เหมือนกันถ้าเราประมาท ถ, ถ้าเราไม่มีสติรีบร้อนอย่างนี้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 แต่ในกรณีผมขนเล็บฟันหนังที่มันหลุดล่วงออกจากร่างกายมาแล้วทำไมจิตถึงวางเฉยไม่ได้มีอาการยึดเพราะว่ามันยึดไม่ได้สิมันถ้า <c oughs> <c oughs> ยึดได้ถ้าผมร่วงนี้ถ้ายึดถ้าหยุดมันได้ก็หยุดกันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแอ่ที้มันหยุดไม่ได้ <c oughs> <c oughs>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 เรายังอยู่ร่างกายส่วนใหญ่ยังอยู่แต่ถ้าลองหัวใจนี่เขาต้องเอาออกไปเนี่ยดูเชืว่าจะจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกก็เหมือนกับเสียผมไปหรือเปล่ามันก็เป็นวายวาอีกส่วนหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าไ ม, ไม่มีหัวใจแล้วมันทําอะไรตอบสนองตันหาไม่ได้ก็ใช่ไหมพ<ม>อร่างกายไม่สามารถตอบสนองตันหาได้มันถึงจะทุกข์แต่เรื่องผมนี่มันถึงแม้จะผมจะร่วงไปจะ มันก็ยังทําตามตัญหาได้อยู่มันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนข้อต่อไปจากคุณกหนกศรีนะครับคนเท่าคนแก่มักพูดว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้นถูกต้องไหมแต่ลูกคิดแย้งในใจว่าคนเราเกิดมาเป็นเพราะปัญหาความอยากของตัวเองมากกว่าแต่เมื่อเกิดมาแล้วกรรมนั่นเป็นตัวกาหนด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 จบแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับะอาจารย์อ่ก็ดีทางเรามีอะไรจะถามกันบ้างไหมอ่าว่ามาที่ถานมาเลยครับข้อที่หนึ่งเทําสมาธิเมื่อจะสงบมือเกิดจากหนึ่งไม่มีเวทนาข้อที่สองจะสงบติดสงบเพราะว่าข้ามเวทนาได้ทนี้อีกข้อที่สองนี่มันค่อนข้างจะยากเลยอยากขอใบความช่วยจายนครัข้ามเวทนาเลยก็ต้องใช้ <c oughs> ใช้สติบริกรรมพุทโธไปวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญ ญ, ญ, ญาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังนะแตาต้องอยู่กับเขาต้องอย่าไปอยากให้เขาหายเพราะความที่นั่งไม่ได้ทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่ทุกในอริยสัตว์ทุกที่เกิดจากความอยากถ้าเราหยุดความอยากหยุดความทุกที่เกิดจากความอยากได้ทุกขเวทนาก็จะ ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่กับเขาได้เนี่ยเราต้องแยกแยะให้เห็นว่าขณะที่เกิดทุกขเวทนานี้เกิดทุกในอริยสัจด้วยคือทุกที่เกิดจากสมุทัยความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราต้องหยุดตัวนี้ให้ได้ถ้าหยุดตัวนี้ได้เอะมันทุกขเวทนาจะเจ็บก็เจ็บไปเหมือนหมอจะฉีดยาก็ปล่อยให้ฉีดไปบางคนนี่กลัวจนกระทั่งไม่กล้าให้ฉีดไม่ยอมให้ฉีด เพราะทนความทุกข์ใจไม่ได้ใจมันทุกข์มันไม่ยอมรับเข็มฉีดยาไม่ยอมรับความเจ็บแต่ถ้าเรายอมรับความเจ็บแล้วร่างกายจะเจ็บไหนก็ปล่อยมันเจ็บไปนั่งเล่นไพ่นั่งคืนออยังนั่งเล่นได้นั่งแค่นี้มันจะให้มันจะตายให้มันรู้ไปถูกไหมเนีจะนั่งดูละครนั่งคืนนั่งดูได้นะสอนมันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หยุดความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปทนกับความเจ็บได้ ขอโทนครับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ไม่มีความอยากที่จะให้ความอยากของมไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปความทุกทรมานใจก็หายไปใจก็เบาเย็นสบายอยู่กับความเจ็บได้ข้ามเวทนาไปได้เราจะข้ามไปได้ทุกครั้งด้วยต่อไปถ้าเราข้ามด้วยปัญญาต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ก็กินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้ยาแก้ปวดนี่ไม่สําคัญเลยกินก็ได้ไม่กินก็ได้ ใจไม่เดือความเจ็บของร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจในเมื่อเราสามารถควบคุมความเจ็บของใจได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ความเจ็บของร่างกายก็เป็นส่วนย่อยอยู่กับมันได้อันนี้เป็นคำถามต่อเ น, นื่องนะคะ ถ, ถ้าเก็บเท็จเราจิตที่สงบสงบเรวมเข้าไปโดยที่เหมือตัวผู้มันไม่เด่นชัดนะ ค, ะคือเหมือนว่ามันไมนรู้เขาขวังต่อ น, นะคะ แต่มันมันสมบรณยะนึ่มันเหมนว่ายหายใจหายแต่นี้มันปุ๊เข้าไปอ่ะทีนี้มันรู้สึกโดยทีมันสะดุ้งแบบสะดุ้งเลยมันอาจจะหลับมากกว่ามังสับว์บอกเลยถ้าสะดุ้งแสดงมันหลับถ้าสะดุ้งนี่มันมัเหมือนเราไปอยู่ที่หนึ่งแล้วนั่นแหละมันฝานเนียมันหลับฝันยแต่ความสึกว่ามันไปตรงนั้นชัดมากเลยนะไปตรงที่ไปถ้ามันสงบจริงๆมันไม่สะดุ้งอ่ะมันจะรู้ตลอดเวลา รู้สึกตัวตลอดเวลารู้เหมือนการดิ่งลงเหวแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบก็เย็นสบายมันจะไม่มีขาดตอนเรื่องของความรู้รู้อยู่ตลอดเวลาอ่าหลับแล้วฝันไปไฝันไปสงกหลับไปแล้วก็ฝันไปแล้วมันรู้สึกตัวเอง ก, ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเคตอนนันที่ความสุขเราคือมัเฮ้ย hey, เราไม่อยู่ที่นี่เนมันก็เลยก็ใช่มันฝันไปมันจะอยู่ที่นั่ไยังไงใช่ไม ความดิ้สมาธิกับความฝันมันก็คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะสมาธิที่มีนิมิตต่างๆเนี่ยอย่างคุณแม่แก้วที่แกนั่งสมาธิข้างแรกแล้วจิตแกก็สงบแล้วก็ไปปรากอเห็นนิมิตต่างๆแกก็คิดว่าแกฝันไปตอนเช้าก็ไปเล่าให้หลวงปู่บ้านฟังหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้อ น, นี้ไม่ได้ฝันอันนี้เป็นนิมิตของคุณอาจจะเป็นนิมิตก็ได้ไมั้ง <laughs> แต่ถ้ามันสะุ้งเนี่ยน่าจะไม่ใช่นิมิตละเหมือนคนสะุ้งตื่นเนีโอเคนะอ่าอย่างนั้นก็เกว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้นำาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปวิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ